เดี๋ยวเราฟังทำกันไปสักเล็กน้อยแล้วก็ต่อไปเราจเจริญพุทธคุณกันดีไหมะ<ด>นะเเดี๋ยวฟังประวัติของพระโพธิสัตว์ไปสักระยะหนึ่งนะเมื่อฟังไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูพุทธคุณแล้วก็จเจริญพุทธคุณกันฝึกฝึกในการจเจริญพุทธคุณกัน ตรงนี้ก็คือได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของสุมเมธะเนี่ยสุมเมธาบัณฑิตสุมเมธาพระโพธิสัตว์ในประวัติของท่านก็ดังที่ได้กล่าวเนี่นะเป็นไปตามลําดับนั่นแหละที่พูดถึงในลําดับของมันน่ะท่านก็มพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของ ความเป็นไปแห่งแห่งแห่งคุณสมบัติต่างๆของท่านเออมาพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของสุเมทะดาบทนี่นะในตอนที่ท่านได้พบนั่นแหละทีนี้ประการต่อมาเมื่อท่านพิจารณาค่าควรเนคขมาอยู่นะั้นอย่างนั้นเบดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็สละราชสมบัติต่างๆเหล่านะั้นเออไม่ใช่สละเงินทอง หลายแสนโกดของท่านให้กับพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ทรงรับต่างๆแล้วในที่สุดจริงๆท่านก็ออกบวชสุเมธัณฑิตก็ทูลรับวัดดีแล้วแล้วก็ตีกองประกาศให้ทานแก่มหาชนดังที่ได้กล่าวนะแล้วลก็วัตถุกามและกิเลสกรามแล้วก็ออกจาก อ, อ, อมร น, นครซึ่งเหมือนเทพ น, ค ร, นะ ค, น, นครเนี่ยคำว่าอมอนครเนื้อนือมระนี่นะอมระก็คือเมืองเทวดานี่ยแหละเหมือนกรุงเทพมหานาครอมรรัตนาโกศลเนี่ยเนี่ยนะ นี่คือเมืองเทวดาอันนี้เหมือนกันท่านก็ออกจากอมารานครซึ่งเหมือนเทพนิคอนอันประเสิดไปตามลําพังผู้เดียวอาศัยธรรมิกา บ, บรรพศ ธ, ธรรมิกา บ, บั ร, รพศนี่เป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งนะที่พระพธิสัตว์ทั้งหลายโดยมากมาบวชเป็นฤๅษีกันเข้าอาศัยในภูเขานั้นแล้วก็ทําอภินย้ายเกิดแล้วก็บําเพ็ญสมณะธรรมเพราะฉะนั้นภูเขาลูกนั้นจึงเป็นที่อาศัยของบุคคลผู้บําเพ็ญสมณะธรรมก็เรียกธรรมิกา บ, บรนพ์ ในคือภูเขาที่เป็นที่บําเพ็ญของสมณะหรือนักบวชหรือฤาษีทั้งหลายในป่าหิมวันประเทศนั้นมีฝูงเนื้อนานาชนิดก็คือสุเมธาบัณฑด็ตก็ทําอาสมสร้างบรรณาศาลาในที่นั้นแล้วก็สร้างที่จงกรมเว้นจากโทษ5ประการแล้วก็ละทิ้งผ้าอันประกอบไปได้วยโทษ9ประการแล้วก็นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบไปได้วยคุณ12บสประการแล้วก็รวบรวมบำเพ ญ, ญาที่ประกอบด้วยคุณอีก8ปประการแล้วก็บวช ถ้าถามบอกว่ากรณีที่บอกว่าที่บอกว่าสร้างที่จงกลมเนี่ยนะที่เว้นจากโทษต่างๆเหล่านั้นก็คือเป็นทางที่ขุกคระอยู่ในต้นไม้ที่รกกาําบังคับแคบเกินไปกว้างเกินไปด้วยการกําหนดอย่างสูงท่านกล่าวว่าที่จงกลมอ่ะหกสิบศอกหรือกว้างศอกครึ่งอย่างเนี้ยนะ อย่างนั้นก็คือว่าผ้าที่ประกอบไปด้วยโทษก้าวการก็คือว่าผ้าเป็นของมีค่าชีวิตนักบวชอยู่ได้ด้วยผู้อื่นผ้าหมองไปทีละน้อยเป็นการเป็นด้วยด้วยการใช้ผ้าที่หมองแล้วก็ต้องซักต้องย้อมใช่ไม้มมันก็เป็นโทษผ้าเก่าไปด้วยการใช้ผ้าที่เก่าแล้วจำต้องทำการชุนต้องการปะต้องการเย็บเนี่ยนะ ผ้าเกิดได้ยากในการแสวงหาผ้าใหม่ไม่เหมาะแก่การบวชเป็นดาบทเป็นขอเป็นของสาธารณะทั่วไปก็ใครเขาก็ต้องการแต่ว่าแก่พวกโจรพวกโจรเห็นก็ก็นั่นแล้วก็บอกว่าต้องคุ้มครองโดยที่พวกโจรลักไปไม่ได้เป็นฐานแต่งตัวของผู้หม่มผู้นุ่งห่มที่ผู้เที่ยวคือเป็นคนที่มกักมากว่างั้นเถอะแล้วก็จึงนุ่งผ้าท่านก็เลยไม่เอาและผ้าที่ประกอบไปในโทษต่างๆเหล่านี้ท่านก็เลยนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ดีกว่า ซึ่งไม่มีคนต้องการแล้วไม่มีโทษแล้วไม่ต้องเก่าแล้วไม่ต้องซักแล้วก็ไม่ต้องยอมต้องก็พิจารณาอย่างเนี้นะก็พิจารณาอู้เนี่ยอันนี้ลองมาพิจารณาดูดิของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราเอาไปตากไว้ที่ไหนแนตะ่หายหมดไหมเนี่ยผ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยหายหมดเลยใช่ไหมงั้นต้องใช้ผ้าจีวร อ, อย่างพระที่ตากไว้ที่ไหนไม่หายอาอที่ผ้าจีวอนอยังไงจะมา ไ, ไปตากไว้ที่ไหนไม่มีคันลั ก, กเพราะอะไรอ่ะฮายมเขาเย็บตัดออกเป็นชิ้นหมดเลย ตัดออกมาก็มาเย็บใหม่ใช่ไหมเย็บเป็นขันเป็นกระทงเ ป, เ, ปเป็นเบ็ดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเบ็เส็จแล้วอ้เย็บนี้ใครเขาจะไปเอาเนี่เขาเรียกผ้าขาดอย่างนี้เป็นต้นทําไมพระท่านต้องผ้าไหมจีวรในปัจจุบันนี่นะที่เขาทําขายกันเนี่ยอันนี้ก็หลอกตากันเยอะท่านหมาลองไปดูดิเดีวมาเขาแก้งเอาไปเย็บให้มันเหมือนจีวรแท้จริงใช้ผืนเดียวกัน ผ้าไม่ถูกใช่ไหมตามเรากะวินัยมันต้องตัดใช่ไหมตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เป็นที่ต้องการทั้งคนทําลายความสวยงามซะนี่เนี่ยไปตากไว้หน้าพอสลอไม่มีใครเอาเอายิงงมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วโอ้ยิ่งไม่เอาใหญ่ผ้าเปลือกไม้นั้นมีอณิสงสิบสองประการนะมีค่าน้อย ไม่เนื่องด้วยผู้อื่นใครก็ไม่อยากได้อาจทำได้ด้วยมือของตนเองใช่ตนเองก็ได้หาเสือหาอะไรมาสารานราหาปอต่างๆ เ, เนี่ยนะเมื่อเก่าเพราะการใช้ก็ไม่ต้องเย็บไม่มีภัยเพราะโจรด้วยแล้วก็ผู้สแสวงหาก็หาได้ง่ายเหมาะแก่นักบวชเป็นดาบดไม่เป็นฐานแต่งตัวของผู้ใช้ด้วยวเราไม่เคยคิดจะามาประดับตกแต่งเลยใช่ไหมอย่างขมจีวรเนี่ย พระไม่เคยคิดนโะหมอย่างนี้ดีต่อไปจะได้ดูแล้วดูดีใช่ไมไม่คิดเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นเป็นที่ตั้งของบาปราคะใช่ไหมแต่ถ้าโยมคิดัหมคิดใช่ไหมเอาเคยคิดไม่บอกว่าเอาผมในใช้ผ้าแต่ละครั้งก็ถ้าอย่างพระ ก, ก็ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังใช่ไหมยอมพิจนารณาไม เออผ้านี้เราก็ต้องมาปกปิดกายอันเน่าเปื่อยนี่เหมือนซากสุนัขเน่าผูกคอทำไมเอาผ้ามาปิดเข้าไว้ก็เป็นที่น่าละอายแล้วเกินนี่คิดตลอดเวลาแบบนี้ไหมแล้วมันก็ไหลออกมาของขอ ง, ของที่ไม่สะอาดเยิ้มไปหมดต่างๆเบสเซตอะไงเงี้ยก็พิจารณาไปแบบเสนี้เอาละเราจะปิดความละอายด้วยครุยผ้าผืนเนี้ย่อมสนุ่งห่มกันได้ละครั้งนี่คิดแบบนี้ไหมไม่คิดเลยเด้อแต่นี้เรากลับไปคิดใหม่ด้วยนะได้นๆเอาไปวิจัยอย่าง ไม่เป็นฐานแห่งการแต่งตัวของผู้ใช้ไม่มีมีความมักน้อยในปัจจัยคือจิวอวิดวนด์ใช้ก็สะดวกเปลือกไม้ที่เกิดแล้วก็หาได้ง่ายแม้ผ้าเปลือกไม้ก็ไม่สูญหายสูญหายไปก็ไม่เสียดายเลยอันนี้คือคุณคุณสิองประการของผ้าเปลือกไม้ปราศจากอุปกรณ์เออประการต่อมาคือกาลังของพิญญาประกอบด้วยคุณ8ประการนะทําให้จิตตั้งมั่นหมดจด แล้วก็สะอาดไม่มีมลทินปราศจากอุปกิเร็คือราคาโทสะาโมหาเวนต้นอ่อนควรแก่การงานมั่นคงและก็ไม่หวั่นไหวประการต่อมาก็คือการสร้างที่ให้สำเร็จต้องใช้คือสัมภาระมากคือบรรณาสลานาะจำต้องบารุงอยู่เป็นนิดด้วยหญ้าใบไม้แล้วก็ดินเหนียวเป็นต้นแล้วก็จำต้องออกไปโดยเข้าใจว่าไม่มีเอกขาตาจิตสาหรับผู้จำต้องออกไปในเวลาไม่สมควรด้วยคิดว่าเป็น บอกว่าขึ้นชิวเสนานั่นก็ต้องสุดโสมไปให้การอยู่เสนานั้นไม่ดีเลยต้องคอยทะนุถนอมแล้วก็เพราะกระทบเย็นกระทบร้อนนี่นะต้องปกปิดคําครหาผู้เข้าไปในบ้านเรือนไปทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็บอกว่าถ้าเราอยู่เป็นที่ลับเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นที่ค้อลหาของคนเช่นเข้าไปเขาก็ปิดประตูเลยเงี้ยนะคนก็มองเอ๊ะไปทําอะไรในในในั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น จะได้ไม่เป็นบาปกับคนคิดชั่วอยากกันนั้นเลยเออก็อย่าไปอยู่ไปเลยเนี่ยนะต้องห่วงแหนวันนี่ที่ของเราถ้าเราไม่มีที่เราจะห่วงเห็นไหมเหมือนเราห่วงบ้านนะนะห่วงไหมห่วงบ้านเลยนะอย่างนี้เป็นต้ น, นนะนะต้องนึกอยู่เสมอว่านี้บ้านเรือนบอกว่ามีอยู่อย่างผู้มีเรือนโอ้ไม่ดีเลยการมีเซนนาสนะเนี่ยต้องเป็นของทั่วไปเป็นอันมากกว่านั้น ต้องทั่วไปแกสัตว์ทั้งหลายมีเลนมีเลือดมีจิ้งจกเป็นต้นบอกแม้เรามีบ้านเนี่ยไม่ใช่เรายึดบ้านนะโรกเดลดาเนี่ยจิ้งจกอยู่ในบ้านมันยึดว่าบ้านมันไหมมันก็ยึดว่าบ้านมันเลือดก็ลึกยึดว่าที่ของเขาเนะ่ยเลนก็ยึดยุงก็ยึดเหลือบยุงลิ้นไรลมแดดที่อยู่ในเลือนหลังนั้นเนี่ยเขายึดหมดว่าเป็นที่อยู่ข้ามในขนาดมดกวาดไปแล้วมันยังวิ่งมาที่เดิมเลยมันบอกมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยมันครองมันอยู่มานานแล้ววะงั้นก็พิจารณาอย่างเงี้ยยม ให้พิจารณาว่าเห็นไหมมันยึดติดหมดแล้วั้นคนมีเรือนก็ติดเรือนคนมีเสนาสนะก็ติดในเสนาสนะมามีเต้นอยู่หลังยังติดเลยยังมีอยู่หลังหนึ่งเวลาจะมีคนขออะไรเอามานึกมีหลังนี้มันเหมาะดีเหมือนกันก็แต่ถ้าใครขอให้เลยนะแต่ยังยังนึกในใจว่าขออย่างเขาอย่าขอเลยเขาขอกันมาหลายอันแลนะ้วนี มันก็ติดเห็นไหมนะขนาดมีเต็นท์หลังเดียวมันติดเลยอ่ะมีบาดก็ติดบาดสุมเมธะบวชเป็นดาบวชอย่างนี้แล้วก็ละบรรณาลาที่ประกอบไปด้วยโทษแปดประการเข้าอาศัยโคนไม้ที่ประกอบไปได้ปาวาาย ค, ไไคุณสิบประการโคนไม้มีคุณสิบประการนะก็คือว่ามีความขนขวายน้อยไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทาอะไรเลยใช่ไหม ล้มไม้ก็คือล้มไม้อะได้ความไม่มีโทษง่ายว่าเพียงเข้าไปในโคนไม้เท่านั้นเอ่อม่ต้องไปยึดติดว่าโคนไม้ต้นไม้มีเยอะไหมต้นไม้มีเยอะใช่ไหมต้นนี้มีคนมาขอใสอยู่หรือไม่ไม่สะดวกก็ไปอยู่ต้นไม่โคเยอะเหลือเกินใช่ไหมในป่ามีแต่ต้นไม้ธรรมนิจจะสัญญาตั้งขึ้นด้วยการเห็นความแปรปวนของต้นไม้และใบไม้ได้ง่ายดูวยใบใบไม้จะร่วงตลอดไหม เ็ก็ล่วงเด็กก็ล่วงเห็นใช่ไหมก็เห็นความแปรปรวนอยู่ตลอดว่าโอ้อันนี้จะฉัเนี่ไม่ตัหนีเสนาสนะถ้ามีใครเมีมาขอให้ได้ทันทีมไหมบอกให้มีหลายต้นมั้ยถ้ามีนักบวช ด, ด้วยกันมาบอกขอหน่อยที่ที่อยู่ตรงนี้ให้ทันทีแล้วเราก็ไปกวาดทีมอื่นอยู่ต่ออย่างนี้เป็นต้นเหมือนสละก็ง่ายไม่ต้องตนันีอย่างเ้าเรามีบ้านเนี่ยทําไว้ซะอย่างดีถ้ามีลูกหลานมาขอยังหวงเลยใช่ไหมทำเขามาของแม่ขอหน่อยห้องเนี่ย โอยเถี ย, ยงกันแย่เลยจ่มาห้องนี้อยู่แล้วเมื่อกี้เดินแล้วเกิดดีเนี่ยเราเดินมากก็ไม่ได้คิดนะว่าหม้หองอยู่ห้องไหนแล้วจเจริญกุศลสะดวกแล้วจะอยู่ห้องนั้นห้องไหนอยู่แล้วโลภเดินได้ดีกับห้องไหนอยู่แล้วปัญญาเดินได้ดีเราอยู่ห้องไหนเดินมากก็โลภอัน <c oughs> นี้นะจมาโ้ยห้องไหนโลภเกิดสะดวกก็อยู่ห้องนั้นล่ะติดบางทีคนอื่นเปิดเข้าไปเหมือนฟุ้งหมดแต่เราก็ยังบอกว่าดีอยู่นั่นแหะ โอ้โหยี่ก็อยู่มานานเนี่นะบางคนไม่เคยย้ายห้องเลยพระนี่ไม่ได้เนะี่ยก็ย้ายกันตลอดเลยเดี๋ยวก็ไปวัดนู้นเดี๋ยวก็ไปวัดนี้ท่านไปทําไมรู้ไหมท่านไม่ต้องการติดอยู่แล้วมันติดอยู่ที่อยู่บ่อยๆเนี่ยติดเหมือนกับพระที่มาที่อยู่อ็จมาลองใ ห, อให้ท่านไปอยู่ตรงไหนท่านอยู่ได้หมดเลยมีบาทมีกรดมีอะไรท่านไปได้แล้วสบาย เอาไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ะถ้ายมไม่รับเก่าบางทีนะบางองค์ในี่รู้จักกันนี่ไปสหายนานเลยบางที่ต้องโทรตามบอกโอไม่รู้จะเก่ายังไงเขาทิ้งอยู่นู่นหนึ่งติ้ไปติ้งอยู่ร้อยเอ็ดแล้วเขาอยู่นั่นแหละร้อยเอ็บางทีไปอยู่ตั้งครรษาแล้วเอ๊ะทําไมหายไปนานังนานบอกไม่รู้จะกล่ายังไงก็อาถ้ามีคนรับมาเก่าก็มาแม่แม่อยู่กับธรรมาก็อยู่นั่นแหละถ้าไม่มีใครรับเก่าก็รับไปไหนก็อยู่ตรงนั้นนะเนี่ยพระเป็นแบบเนี้ย ไม่ต้องขวนขวายใช่ไหมแต่ถ้าโยมนี่ไม่ได้แล้วมากันอย่างนี้เบียดเสด็จถึงคนโทรแล้วตัวอีกอะใช่ไม่ใช่โอ้โหความตนหนีในที่อยู่หรือความห่วงที่อยู่นี่ไม่ตนหนีในเสนาสนะเมื่อจะทําชั่วนโะขนต้นไม้ก็ละอายเพราะใช่ไหมใครจะไปกล้าทําออลงแจ้งอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าทําชั่วที่โขนต้นไม้ถ้าลองปิดห้องมิดชิดเนี่ยก้าไหมก้าคิดชั่วด้วยใช่ไหมก้าคิดชั่วถ้าอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าก้าคิดชั่วไหม ไม่กล้าแลยะละอายกลัวเทพเทวดาลงโทษเขาอีกเยอะไหมเป็นต้นนั้นคนอยู่ป่าเนี่ยป้องกันได้เยอะยอมลองลองไปดูเอาที่ว่างๆลองเข้าป่ามาอยู่ในป่าไม่กล้าคิดชั่วเลยอ่ะนะ่ก็เอามาคุยกับพระมีเนนก็ดื้อเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยบอกท่านมหาก็บอกว่าไม่ยากหรอกเอาทําไงพาเดินทุ ด, ดง นั่นแหละพาเดินไปตามป่าแล้วเน้นจะรักษาศีลก็พากังกราอยมาบ้างว่าเอเป็นงี้จริงๆเวลาออกไปอยู่ป่านี่จากเน้นชอบจะผิดศีลเนี่ยเหมารักษาศีลกัน ม, มั่นคงมันครวมัน่ไมไม่กล้าคิดชั่วนั่งกรรมฐานตัวแข็ง <c oughs> กวผี <c oughs> จเจริญเหมนให้ทำอะไรทำสวดมนอุษยสวยดดีใช่หให้พิจารณาบางทีนะเวลาไปแต่ที่ต่างๆเนี่ย เวลาไปในที่ต่างๆนี่นะพอมืดๆหน่อยเวลาพานเนนเข้าไปพาเดินเดินเดินไปใช่ไหมพอมืดๆหน่อยเลย เ, เสร็จนะพอบอกอะไรเนี่ยเขาจะมาบอกง่ายมากจากที่เนนดือ้อนี่นะกแปลกประหลาดขึ้นมาพอบอกอะไรเขาตั้งใจฟังแล้วถ้าเราเดินไปทางไหนเขาจะเดินตามเราอยู่ถ้าอยู่ที่วัดนี่โอโ้โหบอกอยังไงเขาไม่ก็เชื่อเราวิ่งแลเล่นกันบ้างอะไรเนี่ยนะตามธรรมดาเด็กเนี้ย แต่ถ้าออกไปจากวัดไปไปอยู่ตามป่าตามอะไรก็เหมือนบอกเลยก็เชื่อฟังหมดแล้วเรื่องเป็นเป็นเรื่องดีๆถึงบอกว่าในป่านี้เจริญกุศลสะดวกยอมลองไม่เชื่อลองทำกันดูลองเข้าไปอยู่ในวงในป่ากันดูเ่อไงนี่ยก็เจริญกุศลก็หมายความบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่รับในที่ในการทําชั่วไม่หวงแหนอยู่กับเทวดาทั้งหลายด้วยแล้วก็ปฏิเสธที่กําบังใช้สอยสะดวก ไม่ห่วงใยเพราะเสนาสนะคือโคนไม้หาได้ง่ายในที่ทุกสถานครั้งนั้นน่ะนะท่านก็ได้สมาบัติท่านตั้งความเพียรโดยการนั่งการยืนและการเดินเว้นการนอนก็ได้สมาบัติแปด 8, และพิญญาห้าภายในเจดวันเท่านั้นเจดวันท่านได้แล้วทีนี้สมาบัติแ8ดก็คือท่านได้รูปฌานสีรูปฌานสี่ใช่ไหมได้ปฐมฌานทุติยฌานตาิฌานเจตุตฌาน ได้อากาสศนัญจายตนะวิญญาณนันจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะเขาเรียกได้ได้รูปฌานได้สมาบัตแ8ก็ได้อภิญญา5ก็คือความรู้ยิ่งความรู้อย่างยวดยิ่งนะความรู้ชั้นสูงเนี่ยนะที่จริงอภิน ญ, ญามี6แต่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะไปได้6ไม่ได้เพราะท่านจะตัดสรู้ไม่ได้ ท่านจะบรรลุไม่ได้งไงตอนนี้ถ้าบรรลุเสียแล้วก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าวสิใช่ไหมเพราท่านตั้งปรหลาดตนาจะเป็นพระเจ้าท่านก็เลยเลือกเอาแค่พิญญาห้าเนี่ยได้อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ทิปโสตะคือหูทิพเจโตปริยายานก็คือญานที่สามารถรู้ว่าระจิตของบุคคลอื่นปปเพนิวาสานุสติเองไหมท่านระลึกชาติได้ไหมระลึกได้แล้วก็ได้ทิปโสตะการระลึกของท่านเนี่ยไม่เป็นมิจฉาทิฐิ เห็นหมพระบรมทิศท ah> ั้งหลายเนี่ยถ้าอย่างเราทั้งหลายเนี่นะถ้าศึกษาคำสอนไม่ดีนะถ้าไม่รู้สมถาวิปัสนาของพระบรมศาสดาที่สอนอย่างคร่งครงและว่องไวเนี่ยนะให้ระลึกชาติได้ก็กลายเป็นคนเห็นผิดก็กลายเป็นคนเห็นผิดอ่ะทำไมถึงกลายเป็นคนเห็นผิดรู้ั้มถ้าระลึกชาติได้ก็จะกลายเป็นปปพันตะกปปิกาทิฐิ กุ่มบอกสัตตตาธิฏฐิหกเห็นว่าเที่ยงหกเออเห็นว่าเที่ยงสี่อย่างเอกัจจสัตตทิฏฐิเห็นบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันตานันติกาทิฏฐิเห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดแล้วก็ปีอมราวิเขปาทิฏฐิไอพวกนี้ทัศสายเนี่ยนะแล้วก็อาทิตย์อาทิตจตุมุปันนะกลุ่มพวกเนี้ยถ้าระลึกชาติได้นียนะก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ไปเห็นโดยความเป็นของเป็นวิชาทิฐิ ไปเห็นเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างเป็นต้นเนี่ยหรือถ้าหากว่าเป็นระลึกในอนาคตเป็นต้นได้ได้จุตูปปาตยานก็จะกลายเป็นพวกอปรันตกกักบิการทิฐิฉะนั้นการไม่มีวิปัสสนาญาณเป็นตัวนําร่องในการคิดในอดีตและอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยมิจฉาทิถิก็กัดกินใจฉะนั้นการได้ภิญญาในการระลึกชาติเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมยิ่งระลึกได้มากมิจฉาทิถิก็ได้อาหารมากเหมือนไปเติมเชื้ออาหารของมิจฉาทิถิมากใช่ไหมใช่ ในส่วนจริงกายเป็นคนเชื่อมั่นแบบผิดผิดไหมก็เชื่อมั่นแบบผิดผิดฉะนั้นคนถ้ายังไม่สามารถถอดมิจฉาทิฏฐิออกจากใจนะรับข้อมูลอะไรมากๆยิ่งเป็นอันตรายเว้นได้ไปถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยรับไปจะเป็นตัวค ล, คลายคลายความเห็นผิดรับไปก็ยิ่งคลายยิ่งถายิย่งถอนหนักเท่านะั้นเข้าวความเห็นผิดก็จะหมดไปจากรกระแสขันนี้ สุมเมธาดาบทนั้นนะเป็นผู้เห็นโทษในบรรณาลาได้เห็นอนิสงฆ์ในการสืบอยู่ในเสนาสนะมีคนไม้ก็คิดยิ่งขึ้นไปว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเพื่อแสวงอาหารเป็นทุกขในการแสวงหาอาหารเราไม่ใช่ผู้สิ้นไรอย่างไรจึงออกบวชด้วยความต้องการเพื่ออาหารแต่ทุกมีการแสวงอาหารเป็นมูลไม่มีประมาณถ้าอะไรเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น สุมเมธาดาบทเมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้ก็ปฏิเสธการนอนด้วยเนาะยังคืนและวันให้ล่วงไปด้วยการนั่งโดยการยืนด้วยการเดินเท่านั้นก็บรรลุ ก, กําลังเห่งาพิญญาภายในเจดวันดังที่ได้กล่าวเมื่อสุมเมธาดาบทนั้นบรรลุ ก, กําลังเหยาพิญญานั้นแล้วก็ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในสมาบัติครั้งนั้นพระบระมาศ า, าสดานามวธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กระทำการส่งข้อประชาชน พูดทำลายภัยทั้งปวงแก่พลรา ا คือกิเลสมานขันธามานมัจุมานเทปุตมานอภิสังขารมานกระทาปฏิบคือพยานเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกครั้งนั้นสมเมธาดาบทยับยั้งอยู่ด้สุขในสมาบัติเ อ, อิบอิ่มด้วยยินดีในปีติในฌานนสมาบัติจึงไม่ได้เห็นนิมิตทั้งสี่ในการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ไม่เห็นพระบรมศาสดา เพราะการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพระบระมาศ า, าสดาแผ่นดินก็หวั่นไหวสะเทือนสะท้านตอนนั้นท่านก็ยับยั้งอยู่ด้วยการเข้าสมาบัติอยู่ตอนนั้นพระบระมโพธิพระพุทธเจ้าประสูตรนะนะพระโพธิสัตว์ประสูตรท่านก็อยู่ในสมาบัติตัสศลุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินสะท้านสะเทือนท่านก็ยับยั้งอยู่ในสมาบัติตอนนั้นพระบระมาศาสดาแสดงธรรมจักรให้เป็นไปยังประชาชในใ้เห็น อริยสัจจะทำทั้งสี่อย่างมากมายแผ่นดินก็วันไว้เนี่นะยันน้ํารองแผ่นดินแต่พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นดาบดนั้นก็ดํารงอยู่ในสมาบัติก็ไม่ได้เห็นถามมาพิจารณาดูเนะยพระโพธิเจ้าบัติเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านพระองคนะ์เนาะเราก็ไม่เห็นเราอยู่ในสมาบัติหรือเราอยู่ในนรกเนี่ยน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะ่ะเนาะสงสัยไหม ว่สงสัยว่าจะยักยังอยู่ในสมาบัติหรือยับยั้งอยู่ในนรกอยู่สมาบัติเนาะสงสัยจะอยู่สมาบัติโยมว่างั้นเนี่มาตามโยมนะแต่มาสงสัยว่าตัวเองจะอยู่ในนรกหรือทาซึงไม่ได้เห็นการตรัสรู้ของพระเจ้านี่เนะี่ยขนาดพระพเจ้าบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไฟในรกดับเนะี่ยอาก็คงจะคิดอย่างอื่นแล้วมั่งท่าตอนนั้นเนะ่ยบอกโอ้สบายสักแวบหนึง่งคอยชื่นใจคงจะคิดอย่างนั้นเนะี่ย สมัยนั้นพระทีปังกรทศพลยาเนี่ยท่านได้ทศพลยาสิบเนียเออท่านอันพระขีนาศบสี่แสนรูปพระขีนาศบเขาแปลว่าอะไรรู้ไหมขีนะบวกอาสวะขีณาก็แปลว่าสิ้นแล้วเนาะอาสวะก็แปลว่าบุคคลผู้สิ้นแล้วจักรามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเขาเรียกพระขีนาศบอยากเป็นไหมโยมสิ้นจักรามาสวะเป็นต้นหรอเนี่ยนะ ท่านพร้อมด้วยพระขีนาศบสี่แสนรูปดูสิในอดีตสี่แสนรูปไปเนี่ยเราก็เฉยเลยแล้วไม่มีเราในนั้นเลยเนาะเนี่ยไม่มีเราเลยเนี่ยมันน่ากรุณาแท้ใช่ไหมจ้ะแวดล้อมไปด้วยเสด็จาริกไปตามลำดับลุถึงนครชื่อรัมณนะรัมณนะนครนเนี่นะที่รื่นลมอย่างยิ่งประทับอยู่ณสุทัศนหมหาวิหารชาวรัมมะนครนั่นนะ น, นะ ได้ยินว่าพระทีปังกรทศพลบรรลุถึงบรรุนุตตสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมจกักอันประเสริฐให้เป็นไปสเสด็จจาริกมาโดยลำดับถึงรำมานครแห่งเมืองของเราแล้วประทับอยู่นะสุทัศนนมหาวิหารก็ถือเอาเพาสัตมีเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำม อ, อยไปแล้วใครเห็นได้ ย, ยินขา่าวพระบรมศาสดามาฉันอาหารเช้าแล้วก็ห่มผ้าอันสะอาดถือดอกไม้ ทูเขียนของหอมสมัยโบราณเนี่ยกินเขาเรียกฉันนะนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขันเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฟังธรรมมีกระถาอันไพเราะยิ่งแล้วก็นิมนต์พระบระมศาสด า, าพิธีปางกรสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ลุกจากที่นั่งแล้วก็ทําประทักษิณพระทศพลยานนะนะแล้วก็ลากันกลับไปวันรุ่งขึ้นชาวเมืองนั้นก็จัด อาสะทิสทานก็คือมหาทานนะอทิศทานก็คือทานที่ไม่มีใครเปรียบได้อะทานที่ยิ่งใหญ่สร้างบนดบมุงด้วยดอกบัวขาบอันไร้มนทินที่น่ารักประพรมด้วยของหอม8ชนิดโรยดอกของหอมครบห้าทั้งข้าวตอกตั้งหมอน้ําเต็มด้วยน้ําเย็นอร่อยไว้สี่มุมบนดบก็ปิดด้วยใบตองผูกเพดานผ้างามน่าชมอย่างยิ่ง สมัยโบราณเนี่ยนะสมัยบ้านอาจจะมาสมัยทีม่มาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปตามบรรณศาราต่างๆเก่าๆเขาจะมีพวกเขาจะมีตุ่มน้ํำนะแล้วเขาก็จะมีน้ําวางไว้มีฝาปิดเป็นฝาไม้อมายังจําได้เลยไปแวะพักกันที่ไหนก็ใช้กระบวย y นะกระ buoy เขาจะมีเป็นกระบวยตักน้ํากินโอ้กินมาหวานเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถ้าใครไปวางไว้อย่างงี้ยมัเอาของโซโคโปรกใส่ไว้เต็มมืคนเดี๋ยวนี้นะั้น ใครสร้างสลาก็ไว้มาเขียนอะไรลรกรุงรังเต็มไปหมดเนีลยนะห้องน้ำสาธารณะเขียนคำหยาบหยาบติดไปหมดเลยนะใจของคนในยุคนี้เนี่ยน่าเบียดหน้าโกลัจริงๆนะเนี่ยคนโบราณสมัยก่อนใจเขาเยือกเย็นใจเขางดงามเพราะเขาเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมประพฤติปฏิบัติขัดเกลากันใช่ไหมคนในยุคปัจจุบันนี่ห่างเหินมากยังห่างเหินมากไม่รู้จกักพระสงฆ์องค์ชาตาอะไรกันเลยลำบากมาก ตรงนี้ก็คือว่าปิดเด้วยเบตองงามหน้าชมเหมือนดอกชบาบนดอกประดับด้วยดาวดาวแก้วมณีดาวเงินห้อยพวงของหอมพวงดอกไม้เป็นต้นอันนี้พวงรัตนะสเดวันเขาก็ร้ายด้วยทูบทั้งหลายทํารมณครที่น่ารื่นลมไม่สะอาดสะอา้านทั่วพระนครตั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผ ล, ลไม้ต่างๆ่นนี้นะ แล้วก็ม้อเต็มไปด้วยน้ําประดับประดาได้ดอกไม้กยกธงประตากทั้งหลายหลากสีร้อมด้วยกําแพงผ้าม่านทั้งหลายข้างถนนใหญ่ตกแต่งทางเสด็จของพระทศพลพระทีปังกรสมมาสมเรเจ้าใส่ดินฝุ่นตรงที่ที่น้ําแฉะถมตรงที่เป็นตมทําที่กุกกาให้ราบเรียบโรยได้ทรายที่เสมือนมุกดาโรยได้ดอกไม้ครบห้าทั้งข้าวตอกจัดทวนทาง มีต้นกล้วยพร้อมได้หมากพร้อมด้วยผลนั้นก็วางไว้ตองคิดดูที่เขาประดาประดาต้อนรับพระบรมศาสดานะอันนี้เป็นบุญของไทยเนะี่ยเป็นบุญของผู้กระทำนะและก็บุญของผู้ที่กระถุกระทําพระบรมศาสดาเนะี่ยเคยเคารพเคยบูชาเคยสักการะบูชาประดาประดา มีการเคารว บ, บูชาพระเจ้าในดีเดเยอะเวลวาพระองค์มาตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยโอยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไหลมาอย่างกะหาผลใหญ่เนะในการที่ปรดุดดังอารีบส่งผลเถอะเพราะอัตภาพนี้มีเหลืออยู่อัตภาพเดียวนี้เท่านั้นต่อไปบุญทั้งหลายเหมือนจะนัดหมายกันมาบอกต่อไปจะไม่มีโอกาสท่งผลให้กับกระแสขันนี้แล้วเนื้อกระแสขันนี้ก็จะเสด็จดับขันเถอะรินิพพานแล้วว่างั้นเด้อเหมือนกับคนทั้งหลายที่พ่อแม่จะจากไปก็รีบใช่ไหม มันมีพ่อแม่กำลังป่วยเนี่ ย, ยซื้อของไปให้กินเต็มห้องเลยเต็มตู้เย็นเลยคนเฝ้ากินสบายคนป่วยกินไม่ได้สักคำนเนี่ยนะใครเป็นอย่างนั้นนะนะสมัยนั้นสุมเมธาดาบทก็โลดขึ้นจากอาสมของตนเหาะไปทางอากาศส่วนเบื้องบนของมนุษย์ชาวรมมนคร น, นั้นเห็นพวกเขามีใจเบิกบานกำลังแพ้วถางทา ง, ทางตกแต่ง คนที่เกิดสมนัตยินเดียร่าเลิงบันเทิงใจก็คิดว่าเหตุอะไรเนาะลงมาจากอากาศเห็นคนกําลังทั้งหมดอะยืนนะที่สมควรส่วนกลางหนึ่งถามคนเหล่านั้นว่าท่านบูเจริญพวกท่านเพี้ยวทางทางนี้เพื่อประโยชน์แกใครกันวะนั่นเน่ยเราเคยถางทางถวายกับพระเดินบ้างไหมเนี่ยเคยทำบ้างปะทางที่คนที่จะไปเดินไหว้พระธาตุไหว้พระเยดีเคยไปถางไปถากไปถางทางอย่างนี้บ้างไปถามมึงเดี๋ยวไม่หลงทางอริยมรร นี่ยไหลงกันมาเยอะแยะมาเดยนเะนี่ยําทำทางเดินไม่ให้คนไปไปไหว้พระธาตุไปฟังธรรมบ้างใช่ไหมอย่าไปปิดทางคนฟังธรรมก็เลยโอ oh, หลงทางอีกเยอะเลยเนดะือนนมนุษย์ชาวเมืองเหล่านั้นถูกสุเมธาดาบทนั้นถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าท่านสุเมท่านสุเมธ เ, เจ้าข้าว่าั้นะบอกว่าท่านไม่รู้อะไรพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกร พระ อ, องค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วสเสด็จจาริกไปนในชนบทของนครกับพวกเราประทับอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหารพวกเรานิมลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร ะ, พระพพ อ, องค์นั้นจึงช่วยกันแผ่วถางทางเสด็จการมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นว่างั้นโอ้รำดับนั้นนะสุเมธาดาบทได้สดับคํานั้นแล้วก็คิดว่าพอได้ยินคําว่า พุทโธนี่โอ้โหขุทกขักาปีติคณิกาปีติอกันติกาปีติแล้วก็พาราณาปีติเป็นต้นอุเพงคาปีติซาบซ่านไปทั่วสัพพางร่างกายเนี่เราได้ยินกันว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแล้วซาบซ่านตงมั้ยเฉยๆเอามา พอได้ยินก็สวดอิติปิโสเี่ไม่รู้เป็นยังไงเพราะสวดอะไรไรู้สึกนะแต่ไม่ใช่ไป ม, มากมายอะไระเพียงรู้สึ ก, กเราเพีฟังแล้วมีความสุขแค่นั้นแต่ไม่ถึงขนาดตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเละทํายังไม่ได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันท่านบอกว่าพุทโธนี่หาได้ยากมึงจะป่วยเก่าใบใยญ่ถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้าก็ขนาดคําว่าพุทโธพุทโธนี่ปีติยังเกิดขึ้นทันทีขนาดนี้วะงั้นะ คนยังลุกชูชันขนาดนี้ความทราบซ่านโสมมันนั้นได้เกิดขึ้นใจก็เกิดปีติยินดีขนาะนี้่ เ, เรายินได้ยินพุโทโธอย่างนี้ใจเราเกิดปีติไหมนื่ยังง่วงอยู่อันนี้สแสดงยากเหลือเกินละยนะขณะได้ยินคําว่าพุโทโธ ย, ยังไม่ชื่นใจเลยเนี่ยนะฉะนั้นต่างกว่าในกรณีที่บอกว่าเวลาท่านสารเสริญคุณของพุทธเจ้า อรหังสัมมาสัมพุโทโธเห็นไหมอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโรกิวทูนุตรโตบริสธรรมพระกวา้วก็พุโทโธเห็นไหมพุโทโธมาจาคําบอกว่าสัมพุชิตาจะสัจจานางังเกสัณิธาปพุชิตา สาัพโซคูนวิกาสามปัโตพุดโถนรุตโมบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งอริยสัจธรรมทั้งหลายคือรู้ทุกขสัจ ร, รู้สมุทยัยสัจรู้นิโรธาสัจแล้วก็รู้มรรคสัจเป็นผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสทั้งหลายแล้วผู้ทีจ่จ้ตื่นจากความหลับคือราคะโทสะโมหะมานะ ทิฏฐิวิจิกริชาหีริกาโนตะปะอุทะจ่าแล้วเราตื่นไดยังตื่นจากราคาได้ยังยังง่วงอยู่เลยใช่ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนถึงแล้วซึ่งความเบิกบานด้พระคุณทั้งปวงจึงมีนามว่าพุทธโธนี่เป็นอย่างงี้นะนั้นท่านได้ยินคำว่าพุทธโธเนี้นะท่านก็ทราบซึงจำเราจะต้องปลูกพืชทั้งหลาย ในพุทธเจ้าทีพังกรนพระองค์นี้เราล่ะเราได้ปลูกพืชคือโพธิ์ที่ไว้ในใจยังเนี่ยมเมล็ดทันหนึ่งโพธิ์เี่ะได้ปลูกไว้ในใจยังแล้วตอนนี้หน่อของโพธิ์ที่แทงขึ้นไหมาบางอย่างโผล่ขึ้นมาในใจบ้างอย่างเล็กๆเนี่ยใช่ไหมหรือดูแล้วเนี่ยยังไม่มีมเมล็ดเลยเนี่ยต้องปลูกมเมล็ดแห่งโพธิ์ที่นะีไว้ในใจ แล้วก็พยายามลดน้ำพรวนดินเอาทานสีเนคคมะปัญญาวิรียาคันติตัเนี้ยเอาไปพรวนนะนะไปรดน้ำแล้วไปพรวนดินใส่ปุ๋ยเยอะๆยืนคิดอย่างนี้แล้วจำเราจะต้องปลูกพืชทั้งหลายในในพระเจ้าพราะองค์นี้ขณะอย่าล่วงไปแกเราเลยว่าง้ขอขณะอย่าล่วงไปเปล่าเลยคำว่าขณะเนี่ย บอกว่าอักขนาเนี่ยนะก็คือว่าขนาดที่ก้าเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายๆขนาดของการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพระทเจ้าเนี่ยอย่าล่วงไปเลยตอนเนี้ขณะกล่าวคือพระทเจ้าเนี่ยการที่เราจะพ้นจากขณะหรือสมัยของพระเจ้าเนี่ยจวนจะหมดเวลาหรือยังในท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเหลืออีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะหมดเวลาแล้วแล้วโอกาสจะมาฟังอีกก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่ไหมเป็นโลกเลื่อนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันแน่นอนเทอะไรแล้วดีนะที่ท่านทั้งหลายยังมีกระแสขันหอบสังขารมานั่งฟังกันได้วันเนี้ยงวดหน้าไม่รู้จะมีมาหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะติดอะไรเยอะหรือเผลอเกิดขันนี้จุดติขึ้นมาล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งกันนะเพราะความจริงของสังขารเป็นอย่างนั้น ถ้าขันธ า, ายาตนาตรงนี้มันไม่สืบต่อมาถึงปัจจุบันนะพบนี้แล้วเราจะทำยังไงขณะนี้ก็เลยล่วงเลยไปโดยชนิดที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไม้มไม่ได้สาระคือสีละสาระสมาธิสาระปัญญาสาระประชุมในกระแสขันธ์สักนิดเลยแล้วถ้าถามอย่างเงี้ยลองมาพิจารณาดูที่บอกว่าท่านถึงบอกว่าท่านหวงมากหวงประโยชน์ที่มันจะเลยไปเนี่ยตรงเนี้ย การของศาสนายังไม่หมดนขณะนี้แต่ชีวิตของท่านทั้งหลายจะหมดไปก่อนและท่านทั้งหลายจะฝากชีวิตไว้กับใครในภพหน้าถ้าท่านยังไม่ปลูกโพธิ์ที่หน่อของโพธิยังไม่แทงหน่อขึ้นมาเลยมเมล็ดของโพธิยังไม่แทงหน่อขึ้นมาสักนิดเลยเนี่ยแล้วท่านจะทํำยังไงท่านจะได้ที่พึ่งจากที่ไหนสาระของท่านจะขาดในขณะจุติแล้วท่านจะไปต่อสาระที่ไหนในภพต่อไปเนี่ย ท่านจะไปต่อกับใครสมาทานกับใครท่านมีกัลยาณมิตรหรือยังมีพระอาหารกี่องค์มารับรองท่านไม่มีเลยอ่ะมีใครมาเชิญชวนท่านไปในพบหน้าไหมบอกไปอยู่กับพบเราที่เราจะพาท่านฟังดมทุกวันนี่ก็ยังไม่มีใครมาเรียกเราเลยในความฝันเลยใช่ไหมยะฝันก็มักจะฝันไม่ดีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าหวาดกลัวมากท่านก็บอกอุตขนาดใช่ไหมว่าอัขณะดคอขณะที่เราพ้นมาแล้วเนี่ย การไปเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นแล้วไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดสัตว์เดรัจฉานแล้วก็พ้นแล้วการเกิดเป็นคนบ้าใบาบอดหนวกปัดจันตชนบทเป็นคนเขา่าคนโง่ไปเกิดในอรูปภพไปเกิดในสัญญาสุตภูมิเป็นต้นเหล่าเนี้ใช่ไหมไปเกิดในทวีปอื่นก็ขณะเราเนี่นเราพ้นหมดเลยะนี่เรามาเกิดในขณะ ใ, ในชมพูทวีปในประเทศไทยในมีพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเนี่ยแผ่มาถึงเขาอีกแล้วเรายังไม่ตั้งขนาะไอ้ถูกตั้งความเพียรให้ถูกแล้วจะตั้งเมื่อไหร่ใช่ไหม ก็เปเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นแม้เราจะร่วมกับคนพวกนี้ช่วยกันแพ่าถางทา ง, ทางก็ควรแท้ท่านจึงกล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านแพ้าถางทางเพกกื่อพระพุทธเจ้าเราไซก็จงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราได้บ้างบอกขอที่สักทางหน่อยเถอะเราปรารถนาบุญแม้เราก็จะร่วมกับพวกท่านช่วยแพ้าถางทางเนี่ยทางที่จะไปสู่สัมมาสัมโพธิญาณนี่เราชอบมากใช่ไท่านทำนี่เนีย ท่านเหล่านั้นก็ต้องการจะถางทางคนทุกข์กันนะท่านก็ทำอย่ไหมอย่างถ้าถามบอกว่าเอากรณีที่เราเดินมาอย่างเงี้ยมาฟังทำเนี่ยเรามาทำทางใบพ้นทุกข์กันเนะี่ยใช่ถ้ามานั่งหลับเลยจะเป็นพ้นทุกข์ได้ไหมใช่ไหมได้ทีนะมีท้าอันนั้นเป็นทางเหมือนกันนะเป็นมิจฉาทกใช่มใช่มเป็นทางในทางที่เป็นไปในทางที่ไม่ถูกนั้นก็ต้องตั้งกระแสะจิตให้ถูกพวกมนุษย์เหล่านั้นก็ประกาศว่าดีสิ เมื่อรู้อย่างว่าท่านสเมเยท้าผู้นี้มีฤทธิ์มากโอ้ยท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็บอกว่าอย่างท่านมันต้องเอาที่แบบเนี้ที่ที่ยากสุดๆดิแหละใช่ไหมเพราะท่านมีฤทธิ์พวกเราไม่มีฤทธิ์เนี่ยท่านมีอำนาจเราไม่มีอำนาจท่านห่อได้เราห่อไม่ได้ก็ไล่เรียงไปตามลำดับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องปกดีไหมก็เลยเอาทางที่ขุกขระทางที่โอ้โหเป็นเปือกเป็นตมเองนี่ยพอท่านเห็นอย่างนั้นเบีดเสร็จแล้วเนี่ยมอบให้ ท่านจงแพ้วถางโอกาสตรงนี้ตกแต่งด้วยสุมเมธะเกิดปีติมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็คิดว่าเราสามารถจะทำโอกาสในนี้น่าชมอย่างยิ่งด้วยฤทธิ์นี้ว่างั้น